ข้อที่31แท้จริงบุคคลผู้มีปกติเที่ยวสมคบคนพาลย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานวงเล็บเปิดเพราะวงเล็บปิดการอยู่ร่วมกับเหล่าคนพานเป็นเหตุนำทุกมาให้ในการทุกเมื่อเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูฉะนั้นส่วนบัณฑิตมีการอยู่ร่วมเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งพวกญาติฉะนั้น เพราะเหตุนั้นแลนรชนพึงคบสัตบุตรผู้เป็นนักปราชมีปัญญาเป็นพระหูสูตรเอาการงานมีศีลมีวัดไกลาจากกิเลสและมีปัญญาดีผู้คงที่นั้นเปรียบดังพระจันทร์ครบอากาศอันเป็นทางแห่งนักสัตว์ฉนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบาปพระคาถาว่า พาละั่งคตะจารีฮิความว่าแท้จริงคือความจริงบุคคลผู้มีปกติเที่ยวร่วมกับคนพานบทว่าทีคมัตฐานังความว่าเป็นผู้มีฉันทะเป็นอันเดียวกันกับคนผ่านกระทํากำคมชั่วทั้งหลายมีการตัดที่ต่อเป็นต้นประสบทุก์มีถูกตัดมือเป็นต้น ย่อมสศกเศร้าสิ้นกาลนานการอยู่โดยความเป็นพวกเดียวกันชื่อว่าสังวาโสบทว่าอมิเต เ, ตเนวะความว่าเหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรูผู้มีดาบในมือหรือสัตว์ ร, ร้ายมีสารพิษเป็นต้นฉะนั้นบทว่าสพธาความว่าการอยู่ร่วมกับพวกคนพานเป็นทุกข์ร่ำไป การอยู่ร่วมกับบัณฑิตนั้นเป็นสุขเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงชื่อว่ามีการอยู่ร่วมเป็นสุขอธิบายว่าการอยู่ในสถานที่เดียวกันกับบัณฑิตเป็นเหตุนําสุขมาให้ถามว่าเหมือนอะไรตอบว่าเหมือนสมาคมแห่งพวกญาติฉะนั้นอธิบายว่าเหมือนสมาคมแห่งพวกญาติผู้เป็นที่รัก เป็นความสุขฉะนั้นบทว่าตาสมาหิกความว่าเพราะเหตุที่การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับบัณฑิตเป็นสุขบทว่าทีรังคือผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเครื่องทรงจำบทว่าปัญญงได้แก่ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระบทว่า ประหุสูตังคือผู้เป็นพระหุสูตรด้วยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทบทว่าโทเยหะสีลพัตตะวันตังความว่าชื่อว่ามีปกติเอาการงานเพราะความเป็นคืออันนำไปซึ่งธุระกล่าวคือการยังตนให้บรรลุพระอรหัตมีศีลและมีทุดง บทว่าอริยังแปลว่าดำรงอยู่ไกลจากกิเลสบทว่าสุเมธังแปลว่ามีปัญญา ง, งามบทว่านักขัดตะประถังว่าความว่าเปรียบดังพระจันทร์คือวิมานของพระจันทร์คบอากาศอันเป็นทางแห่งนักสัตว์ทั้งหลายฉะนั้น